ถ้าหากว่าเราไม่ทําอะไรกับจิตใจของเราเลยเนี่ยเราก็ไม่ต่างจากนะอง่งน้ำนะํำซึ่งเติมน้ําไว้ครึ่งหรือคลึ่นละใจของเราเนี่ยต่ก่อนเนี่ยเหมือนกับองค์น้ําซึ่งมันมีน้ําอยู่นิดเดียวคือใจที่มีสติอยู่นิดเดียว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 มันทำไงรู้ไหมมันทิ้งก้อนแรกแเราไปงับก้อนที่สองฉะนั้นที่สองก้อนนี่ก็เหมือนกันขนาดเท่ากันเพราะอะไรรู้เพราะอะไรทำไมถึงทิ้งก้อนแรกไปเอาทิ้งก้อนที่สองเพราะว่าก้อนที่สองนี่มันใหม่กว่าก้อนแรกแค่ใหม่กว่าฉะนั้นแหละเราเป็นอย่างนี้บ้างรอเปล่าเรามีอยู่เยอะนะแต่พอของมีของใหม่มา อของเก่าไม่เอาแล้วเราอยากได้ของใหม่ความสุขของคนเราเนี่ยเกิดจากการได้ของใหม่มันไม่สําคัญว่าเรามีอยู่มากเท่าไหร่มันไม่สําคัญอยู่ว่าไอท้ที่ไอ้ที่เรามีอยู่ในอยู่กับมือแล้วเนี่ยมันมากหรือว่ามันดีข้อสำคัญอยู่ที่ว่ามันเก่าแล้วนะแฟนของเราเนี่ยจะสวยไงก็ตามเนี่ยนะถ้ามีคนใหม่มาเราก็อยากจะไปหาคนใหม่ แฟนเราจะหล่อแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้ามีคนใหม่มาเราก็อยากได้คนใหม่เคยเห็นไหมคนที่มีได้ขามาคนที่มีรองเท้าเนี่ยประมาณสามรอยคู่แต่ก็ยังซื้อไม่หยุดนะมีรองเท้าสามร้อยคู่แต่ยังซื้อไม่หยุดอยากจะได้คู่ใหม่เพราะความสุขของคนเราส่วนใหญ่มันไปอยู่ที่การได้สิ่งใหม่ใหไอ้สิ่งที่มีนี่ไม่สําคัญมีมากแค่ไหนก็ตามไม่สําคัญทั้งกบว่าทําไมฉันฉันอยาได้อันใหม่มา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 พราะท่านไปแล้วแี่ลองเพื่อนๆลองพิจารณาตัวเราให้ดีๆอย่าดูถูกตัวเราอย่าเมินเฉยสิ่งดีๆที่เรามีอยู่อย่าไปเพลิดเพลินกับความสุขที่มันยังมาไม่ถึงนะความสุขที่มีอยู่กับเราแล้วนะอันนี้สําคัญ